ไม่เป็นคนหญิงเดี๋ยวนี้ผมว่าลูกชายผมรู้จักพระที่วัดมากกว่าตัวผมเสียอีกชวงเขา้าพรรษาลูกผมจะใส่บาตรก่อนจึงจะไปโรงเรียนเพราะที่วัดนี้เสร็จเร็วพระเริ่มรับบาตรเวลาหกโมงครึ่งมีเวลาไปโรงเรียนทันผมจึงกำชับเขาให้ใส่บาตรทุกวันอย่าได้ขาดแต่ก่อนถ้าต้องการไปแต่เช้าก็ให้ใส่บาตรหน้าบ้านมีพระผ่าน